อาตุวานังกตัญญูประเวทิตาทีทีนาโอกาัดนีอาตมามาภะเจสนเดชภัสธรรจเจสนาใน่กตัญญูกถาเพื่อเพื่อโสสงองคสัตตาปรมี ผูบรรดาก่านิจราทานะพดีทั้งหลายที่พร้อมใจมาจำเป็นบำเพ็ญกุศลประจําปักในวันนี้การผู้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพากันมาบาเพ็ญกุศลวันนี้ทั้งมีเขว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินทร์สีริมมาสันดาลสัมมาคันพุทธเจ้าวันนี้ ตามองค์สมเด็จพระบร ม, ม ล, ลกอเชษสุนรแท่นนำมบาบุญทั้งหลายเกิดแจกบรรดาจากพุทธบริษัทก็คือหนึ่งทานนใหมา่บุญสมเด็จการบริจาคทานาสองศีลนใหมา่บุสมเด็จการอาศัศีสามภาวนาใหมา่บุสมเด็จการเจริญภาวนา การบำเพ็ญบุญกิจยาเราสามเดือนการนี้เป็นปัจจัยให้บรรดาท่านพุบริษัทมีความสุขสนชาติตปุบันในสมบูรยปภบนัาที่สุดเกี่ยวกับพระดุพาเมื่อที่มีสุดต่อไปแต่ว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนตั้งใจมาบำเพ็ญมุโสณเราสามเดือนการครบสุดแล้วคืหนึ่งทานมีแล้ว สองถึงสมาทางแล้วเวลานี้สมเด็จพรักรับ ร, ร, ร <c oughs> ส, ส, ส, บ ส, รสพุทธพุทธิสนาท่านไปทำส่องสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปนเหตุวันนี้จะเทศเรื่องการโตะเวทีซึ่งความการโยกตะเวทีนี้ถ้าจะกล่าวกันไปมีกําลังมากการโยงสมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าทรงจัดว่าคนที่มีความกระารโยกรู้คุณ รูปการะที่ท่านทําแล้วแลตอบสนองคนท่านตามบาบาลีวันนี้ตั้งสาธุความในกัตัญญูเวีหิตาเพื่อแปลเป็นความว่าบุคคลในรูปการะคุณที่ท่านทำแล้วแลตอบสนองคนท่านเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีความรกยนตามพระบาลีที่พรธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนดีจะหายากจริงแล้วแตลงพูดมีความสำคัญในความกัตัยญูรู้คุณ เมืาการอัคตันยู่รู้คุณในบรรดาเจ้าพุทบริสทจ้บุคคลใดมีความอัคตัญยูไม่รู้คุณท่านท่านทําให้แล้วต่อไม่ตอบสนองนคนท่านด้วยความดีเรื่องอัคตัญญูสนองความร้ายต่อท่านคนประเภทนี้จะไปที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เพราะว่าทุกคนได้ชราบจุยยาความเป็นมาแล้วก็คิดว่าคนที่มีคุณตัวเขาเขาสามารถทาลายได้ชนใด เราเองพระส่งเขาเขาเมื่อไรเขาอาจคน ส, สามารถทำลายได้เหมือนนั้นดูตัวอย่างองค์สมเดพระพัระวันมรรมาชาติสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระเทวทัตความจริงพระเถระเจ้าก็ดีพระเทวทัตก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นญาติสนิทกันพระเทวทัตเป็นลูกของหลวงพระเถระเจ้าเป็นลูกของน้องชายของเออน้องชายของลวง แล้ต่อมาพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นศิส ธ, ธาราชกุ ม, มารก็แต่งงานกับน้องสาวว่าเทวทัแตแ่ในเมื่อองค์สมเด็จประทรงสวัตดิเสกภาควโรเบสสัมมาสัมโพธิญาณแล้วว่าเทวทัตก็เข้ามาหมวดในส า, นาสนาขององค์สมเด็จสระบัณิแก้วตอนนี้ถือว่าเป็นสาวกผู้รับสั่งพระพังคำสอน แล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติในพระศาสนาายจนได้ปัญญาสมมาบัติแต่ว่าเป็นปัญญาโลกีหมายความว่าจ ะ, สะแสดงฤิ์แบบใดก็ได้จะได้ปัญญาห้าต่อมาว่าเทวทัตเกิดความกําเริกต้องการจะปกครองสองฆ์แทนองค์สมเด็จพ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงเวลานั้นเท่าไรายังมียังมีจํานวนมากนับเป็นแสนแสนองค์ แต่ว่าพระเทวทัตเป็นผู้ทรงชายโลกีมันเทียบกันไม่ได้แด้วยกําลังใจที่พระเทวทัตจองเวรจองกรรมกับองค์สุเด็พระส ม, มานพุทธเจ้ามาในการก่อนยินดีคิดทํำลายองค์สมเด็จพระปจิณณวรรมัสสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเล่าความเป็นมาของพระเทวทัตประวิณดอยตึงเวลาเวล า, เวลาจะไม่พอเราะว่าพระเทวทัตทีบ่บรรดาเป็นพุทธบริศัทธ์ ยี่องเวรุตเจ้ามาสมัยไหนทั้งกาตาบบาลีนิยว่าในสมัยหนึ่งพระเทวทัต ก, กับพระเจ้ากเกิดมาเป็นเพื่อนกันต่างคนก็ต่างเป็นโพรข้าซื้อของถูกขายของแพงตามราคาเช่นเดียวกันวันหนึ่งปรากฏรุ่นเดชกุลหนึ่งยากจนแต่ว่าเป็นตระกูลต้นประดิษฐ์เป็นมหาเศรษฐี ก็เลยคุณนี่ยัมีของเหลือที่ชิ้นเดียวคือถาดทองคําพ่อวันนั้นหมนาพ่อค้าเทวทัตไปถึงคุณยายเจ้าของบ้านยังนําถาดทองคําเพื่อจะมาขายในราคาของทองคําพ่อค้าเทวทัตเห็นว่าเป็นคนจนมาดูแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทองคําแท้มันเป็นทองคําปลอมแล้วทองกระไหลให้ราคาถูก คุณยายดานทราบว่าขอ ง, ข ง, ง, องขถ้านตองคําแท้ถึงมัยอมขายพระเทวทัตก็มีความรู้สึกว่ายายคนนี้แก่แล้วคือคุณญาติจนในที่สุดก็ไม่รูจะขายใครก็ต้องขายเราในวันหน้าที่หลกไปวันรุ่งขึ้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยพระมุสสัดสัดาลคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นพ่อคาเหมือนกันไปที่บ้านนั้นคุณยายก็นำผ้าผ้าของคํามาให้มาขาย พระเจ้าเห็นว่าพอคลงคำขาดคลองคําเป็นถาดคลองคําบริสุทธิ์พอคงคําแท้เยอะเลยขาดคลองคําเป็นที่พอใจของเจ้าของก็จะซื้อในราคาถาดคลองคำเจ้าของก็พอใจต่อมาวันรุ่นขึ้นปฏิวัต์ไปใหม่ฐานพุนยารว่าขาดคองคําอยู่หรือเปล่าพุนยารว่าขายไปแล้วก็ขายด้วยราคาคลองคําก็ถามว่าขายขาขาาขา ใ, หให้กับใคร ก็บอกชื่อพ่อค้าพระเทวทัยก็ทราบว่าเปเพื่อเขาตนเองอกลับมาตอนเย็นมาพบกันเข้าวว่าแถามองค์สมเด็จสมมาลัตเจ้าวัดท่านไปซื้อถาสทองคำเพราะอะไรอุลจ้าบอกว่าซื้อมาพระเทวทัยโกรธถาว่าตัดหน้าทำลายความประมาทผลประโยชน์ยิงจีบวัดทรายเข้นมาหนึ่งกำมือก็บอกว่าอธิษฐานว่านับสมบัตินี้ต่อไป เราขอจองเวรจองกรรมทำร้ายท่านทุกชาติจนกว่าจะเท่าใจเมล็ดใสเท่ากําแยงหมายความมา็ดใสเมดหนึ่งก็ต้องหนึ่งชาติ <c oughs> ตั้งแต่ชาตินั้นไปจนมาปรากฏอี่ว่าท่านจะทรลายพระเจ้าตลอดมาพระเจะา้าก็ไม่เคยตอบสนองแต่วันในที่สุดปรรดาเป็นพุทธบริษัท พระเทวทัตกะลงเอาเวทีมาทำในรกพระเจ้าปเป็ผู้ทรงความดีมีความวัตถุโยตเวทีไฟนิ่านต่างกันนี้ต่อมาก็จะขอเล่าเรื่องความเป็นมาของความวัตถรู้คุณโดยทรงเจ้บรรดาในพุทธบริษัทเรื่องความวัตถุโรู้คุณนี่ในเมืองพารณาณสีปรากฏว่ามีมหาเศรษฐีท่านหนึ่ง มีลูกชายคนเดียวต่อมาลูกชายได้ฟังเทศน์พระองค์ส ม, ม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็วมีความเดือดใสต้องกายจะบวชในพุทธศาสนาก็ <c oughs> ามาลาพ่อบลาแม่บอกจะบวชพ่อแม่ก็บอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายของเรามีมากย <c oughs> ้งจะบวชโดยอยู่ปกครองทรัทททบเถิดลูกชายไม่พอใจใคร่จะบวช ว่าในที่สุดพ่อแม่แมันุญาก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลา น, นอนในห้องไม่ออกมาปรากฏว่าต่อมาในวันหน้าพ่อแม่ไปตามขึ้นของบรรดาลูกชายมาให้ปลอบโยูนลูกชายก็ไม่ยอมไม่ยอมทำาามจะบวชท่าเดียวถ้าไม่ให้บวชก็ขอตายในห้องไม่ยอมกินข้าวก็เป็นว่าบรรดาเพื่อนนั้หลายก็มีความว่าปล่อยให้บวชโดยการก่อน เมื่อการบทนะั้นวุฒสศนน์ไม่เหมือนอยู่กับเป็นพระวาัดการไปรูปมหาเศรษฐีจะต้องการอะไรมันก็ได้ทุกอย่างต้องการร้อนได้ร้อนต้องการยินได้ยินมี่เการสมมุติถ้าก็ไปแนะนํากับบิดามัรดาของท่านว่าต้องคอยบทเลยก่อนในเมื่อการบทวุฒิศนนะ์มันมีความปริศนาไม่สมหวังกอต้องการร้อนก็ได้ยินต้องการยินก็ได้ร้อน ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากชาวบ้านให้ถ้าชาวบ้านไม่ให้ก็อดทให้มาไปที่ใม่พอใจก็ต้องกินก็ต้องใช้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ในฐานะที่เป็นลูกมหาวิถีทนไม่ไหวก็ตื่นมาเองพ่อแม่ก็เห็นชอบอนุญาตให้ลูกชายบวชเมื่อลูกชายรู้เข้าไปบวชในเรื่องศาสนาแล้วฟังเทศน์จะอบรมในเรื่องสมมารูกเจ้าจะเป็นต้นจตุพรหัน แล้วก็ลาองสมเด็จเราก็ก็วันเข้าป่าลึกจะเินพระกรรมฐ า, านจะไปอรหันทร้อมกันล้าความดีต่อมาปรากฏว่าบรรดาพ่อและแม่อยู่ทําบ้านนี้เป็นคนแก่ก็ไม่ทันคนใช้คนใช้ในบ้านขโมยของไปบ้างคนที่กู้เงินกู้ทองก็โกงไม่ส่งดอกบ้างในที่สุดพญามหาราชที่ทานสองก็กลายเป็นขอทานหมด ทรพัพย์สินแม่งกงหมดแม่ขอขโมยกันหมดไ <c oughs> ในเมื่อเหลือแต่บ้านเหลือแต่ที่ไม่มีจะกินจริงๆก็ต้องขายที่ได้ดูก็ขายบ้านเมื่อหมดแล้วก็ต้องนั่งขอทานอยู่ข้างฝาเหลุนเขาต่อมาในการอีครั้งหนึ่งมีพระที่บวชมาอยู่ระมมเดียวกันบวดในวศา ส, สนาเมื่อฟังธรรมโยมสมเด็จพระสัมมาสัมพุเจ้าคือเรียนไมก่กรรมฐ า, านเสร็จ ก็เข้าป่าไปพบพระาโอ์นั่นเข้าเจ้านั้นก็ถามว่าคุณบ้านเดิมอยู่ที่ไหนเพราะทราบว่าเป็นคนตำบลเดียวกันก็ถามท่านสมหาสศรษฐีทั้งสองแต่ก็ไม่บอกว่าเป็นพออเป็นแม่ถามแค่เพียงว่าท่านรู้จัก ส, สมหาสศรษฐีทั้งสองไหมเจ้างค้นั้นก็บอกว่าจะถาม ส, สมหาสศรษฐีนี้ประโยชน์อะไร เพราะว่าเวลานี้มาหาเศรษฐีทั้งสองนั้นไม่ใช่มาหาเศรษฐีแล้วก <c oughs> ลายเป็นคนขอทานไปแล้วทั้งนี้เพราะว่ามีลูกชายคนเดียวลูกชายบทในพระศาสนาไม่กลับไปหาพ่อไปกลับไปหาแม่คนใช้คนรับใช้แม่ก็โกงบงั่งลกของขโมยของไปบ้างคนกู่นี้เยงถึงฉินโกงบงั่งเวลานี้ทรัพย์สินหมดขายที่ไายบ้านกินหมดแล้วว่าต่างคนต่างเป็นคนขอทาน เมื่อพระุูกชายทราบแต่ความเป็นพรหันบรรดาแต่พุทธวิสัตถนัยยอ่อมเคารพกฎของกรรมคำว่าเสียใจไม่มีในพระหันแต่ความสลดใจมีอยู่ยจ้าได้ตับไปจากป่าเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสรีแต่พอถึงทางสามแพ่งก็ไายืนนึกในระหว่างทางสามแพว่าระหว่างทางเบื้องขวาไปหาพ่อกับแม่ ทางเมื้องซ้ายรปสู่กระมหาวิหารเราจะไปเที่ไหนดีก่อนก็คิดว่าการเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวร์เป็นของสาคัญแต่ถ้าว่าพ่อแม่แล้วก็สําคัญมากทราบว่าท่านเป็นข้อทานต้องไปเยี่ยมก่อนยึงตาวเชื่นใจยังไม่เ ข, ข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวร์ไปหาพ่อและแม่ก็ไปเดินหาไปปรากฏพบว่าพ่อกับแม่ทั้งสองคน นั่งถือกระเบื้องแตกๆอยู่ข้างฝาบ้านคนชาวบ้านนั่งขอทานอยู่เวลานั้นสาววะโคงคนเด็พระบรมครูก็สลดใจเข้าไปใกล้ถามว่าถามถามพวกคนแก่ทั้งสองว่าจำท่านได้ไหมก็ว่าดีทั้งสองคนแก่จำหน้าลูกไม่ได้พระบรมคา แต่ว่าจําเสียงได้ก็ถามพี่ลูกชายจำบอกว่าใชา่ก็เลยเล่าความเป็นมาให้พี่ลูกชายทราบลูกชายก็บอกว่าท่านเป็นกวดขอรรอ้อมครปล่อยไปเถิดในเมื่อพ่อแม่มีความลําบากผมก็ต้องการจะเลี้ยงยังนําดีดามันดาทั้งสองจากคนข้อทานเข้าไปชายป่าเลี้ยงใบ้านหน่อยก็กระท่อมม น, น้อยให้อยู่ <c oughs> แล้วเวลาไปวินาบาายกลับมาได้ได้ข้าวเลยของมาก็ให้พ่อแม่กินก่อนเหลือเท่าไรฉันเท่านั้นถ้ามีญาติโยมจะไหว้ผ้าสบงจีวรใหม่ๆก็ม า, มาก็ให้พ่อแม่ใช้อา้าเก่าๆมาย้อมกลับต้องสีแม่ฝาแล้ว่าใช้เสียเองมีการเ่ร้ามองต่อมาก็อาศัยอาหารที่เหลือบ้างไม่เหลือบ้างเหลือมากบ้างและน้อยบ้างไม่พอจริง ก, ก็สูกความลง ขั้นในการต่อมาพันดาเขาสมเดหลายทราบความเป็นมาเขององแล้วยิงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าปันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธยวข้าว่าองนั้นไปจบประวัติไปจ์ประหัตปฏิบัติผิดพระธรรมวยนายเจองสมเด็จพระจอมไตรยุธศาสตร์ดาส่งผลไว องค์สมเด็จอาจารย์ใจจิต น, นม่ีพระพุทธกิจการจับเรียกให้พระองค์นั้นเข้าไปเฝ้าในเมื่อพระตามพระองค์นั้นเข้าไปเฝ้าแล้วองค์สมเด็จพระบพิธี่เจ้าถามว่าเธอประจบกระหัตหรือพระองค์นั้นก็กราบทูลว่าไม่ได้ประจบกระหัตพระพุทธเดียวกันท่าน ถ, ถามความเป็นมาบอกว่ามีคนเข้ามาฟ้องในความจีิงรุกเจ้ารู้ทุกอย่างนะ แต่คิดว่าจริยาที่บรรดาพระทั้งหลายทำนั้นท่านไม่รู้ท่านรู้แต่ว่าท่านเห็นว่าไม่ผิดท่าียังปล่อยแต่ในเมื่อมีคนไปฟ้าก็ต้องเรียกมาสอบสวนตามตามระเบียบท่านจะบอกว่ามีึคนมาฟ้องว่าเธอบินาบาดมาแล้วแทนที่จะ ก, กินก่อนกับให้คุณแก่สองคนกินก่อนและเมื่อเหลือเท่าไหร่กลับมากินกิหลังนี่เป็การหนึ่ง และวรายการที่สองยาวบ้านถวายผ้าใหม่ๆ ม, ม, มาเธอก็ไม่ใช้กลับไปยอมสีเสื้อใหม่ให้คนแก่สองคนนุ่งแล้วเธอก็ผ้าของคนแก่ทั้งสองคนมีเก่าแล้วมาเย็บปฏิบัตต่อกันทําให้พระใจจีวรแล้วก็ยอมน้ำผัดเลือกมาห่มเองเป็นการเส้าหมองอย่างนี้จริงไหมถ้าเอานั้นอย่าลือว่าท่านเป็นพระราห์ แต่หันย่อไม่ปฏิเสธตามความเป็นจริงก็ย อ, งกยอมรับเป็นความจริงพระพุทธเจ้าเมื่อพระเอานันยอมรับเป็นความจริงและวพระเจ้ายังไม่ทรงตำหนิแต่ความจริงถ้าผิดจะารับอย่างี้ทรงตำหนิทำทีเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระจินทร์ยังไม่ตำหนิยังไม่กล่าวโทษท่านถามตอบไปว่าคนแก่สองคนสุดเมื่อเป็นอะไรกันมากับเธอ เจ้านั้นก็บอกว่าคุงแก่สองคนนั้นเป็นบิดากับมันดาเดิมจริงๆท่านเป็นมหาเศรษฐีควาเพียงพเจ้ารู้แล้วแต่ว่าต้องท่านก็ต้องรายงานเจ้าพระองื่นไม่รู้ข้าพระเจ้าเองเป็นลูกชายและเป็นลูกชายคนเดียวในเมื่อในทางเทศองค์สมเด็จพระสัมมาลุคเจ้ากันแรกก็เกิดความเดือดใสตั้งใจวยมโอดในธศาสนา เจ้าดีดาและมันดาก็คานว่าะไม่มีใครขอสมบัติในทะี่สุดเจ้าพระเจ้าก็อดข้าวอดน้ำพ่อแม่เพลงเขาเสียตายก็ให้บวชมืบวชแล้วดีกรรมฐานยอ่อองค์ตั้งแ่สมารุษเจ้าแล้วก็เข้าไปปฏิบัติในป่าเวลานี้เป็นบัคีนา่าศพพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่า น, นพุทธเจาธ้ายกมโนสาทุดีแล้วจบบาดีแล้วดีละดีละ แล้วต่อมาก็ปลายกรธเศร้ ว, ว่าบิดามันดาเราสองพ้นสภาพจากความเป็นเศรษฐีคนใช้ในยเงินขโมยของบ้างคนกู้เงินไปโกงเต็มบ้างทรัพย์สิน ถ, ถูกโกงบ้างถูกขโมยบ้างทรัพย์สินก็บดขายที่ให้ทางกินขางเงินขายที่ให้ทางกบดต่อมาก็ขายบ้านกินเงินขายบ้านหมดต้องเป็นข้อทัน <c oughs> องค์สมเด็จพิตมานุโมสารนดาสมาลพุทธเจ้าทรงทรางังแล้วสระเดชพระคุณเจ้าแทนนิจเัตมิตรสงยกมเอกล่าว่าสาธุสาธุสาธุเป็นแปลว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วคอทำอย่างนี้ดีที่มีความกตัญยูกตเวที คนที่มีความกะตันยูเดเวทีจะรู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบสนองคุณท่านด้วยความดีแล้วกล่าวว่าบุคลเป็นคนดีเธอปฏิบัติตนเป็นคนดีมากปฏิบัติตนช่นเดียวกับสถาคตสมัยเมื่อเป็นตัวละสามอาจงานไม่ต้องเทศตัวละสามนะวันนี้ไม่ต้องกลัดใบครับตอช่อยเยื่องไม่ต้อับใบเห็นไหม พระองความว่าพราะพระธเจ้าพระสอนอนุญาตให้พระองคนั้นปฏิบัติอย่างนั้นต่อไป <c oughs> <c oughs> พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริหารสดาก็ทูลแต่กับพระว่าพิกวดูก่อนดิสังหลายความกตัญญูรู้อุปการะคุณที่ท่านทําแล้วและเราตอบสนองคนท่านมีคือความดีอันประเสริฐต้การกตัญญูรู้คุณแต่บุคคลผู้มีคุณ ย่ำเป็นความดีที่ทําตนหให้ไม่ตกอับนั่นก็หมายความว่าถ้าเรารู้คุณท่านถ้าตอบสนองคุณท่านเราจะไปในสถานที่ใดก็ตามทีเมื่อใครเขาทราบเข่าว่าพุทธภาวะความวัตถโยรู้คุณผู้คนทั้งหลายดังนั้นเขาจะสงเคราะห์ให้มีความสุขคนที่มีความวัตถโยรู้คุณนี่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุข ตายจากชาตินี cat, Focus, HI, on, Yo, um, ้แล้วไปเกิดในชาติหน้าก็มีความสุขมีสวรรค์ขึ้นที่ไปเป็นต้นหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระทศพนฺธมาราชตันดาสัมมาทิฏฐิเจ้าจะที่ไปที่ภาษาดิบุตรว่าพิจเวดูก่อนที่สุนหลายความกตัญญูรู้คนในพระบุคคนละหลายบุคคนผู้มีคุณนั้นดูตัวอย่างสาดิบุตรสาดิบุตรเป็นสัตว์ดุริยางคความกตัญญูเวที ลูกคนุณของพระรามเจ้าขึ้นใว่จจววาแต่สมัยหนึ่งราท่าพราหามราท่าพระรามนี่เป็นคนแก่ <c oughs> แล้วก็เป็นคนจนมาวันหนึ่งพระสารีบุตรไปบิณฑบาตข้างบาท น, นั้นเดินเฉียดไปท่านราท่าพระรามไม่เอาข้าวมาใส่บาทหนึ่งขับขีความเตรียมท่านเหลวกระดใสครั้งเดียวในชีวิตของท่านราท่าพระรามท่านี้พอ่ออะไรเท่านคนจนมาก ต่อมาสายที่เป็นคนแก่ด้วยแล้วก็เป็นคนจนด้วยลูกหลายนก็เลยไม่อยากจะเลี้ยงเขาก็ปล่อยมีความอดออดเหยียหยากในที่สุดท่านลาพักการก็ต้องมาสายพระในในเจ้าใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในหายาหอาเออก็เลยไปส ม, มานพระเจ้าอยู่ที่นั่นอาศัยพระกินอยู่าสามปีเจ้าการอยู่สามปีคือพระเจ้าจะไม่รู้และไม่มีรู้ เรายังไม่ถึงวาระแตะปราจะว่าเนื่อถึงปีที่สามผ่านไปวันหนึ่งองค์พระเดชพระจอมไตรพรณสัจดาตัพระโพนิสัยเขาสัตว์เวลาเช้ามืดราธากามตกเลย่ายทุ้ยายของพระงค์ในตอนเย็นยังได้ส่งเดินไปที่ราธากามอยู่บรรดากระสงเห็นองค์พระเดชพระบรรรคคูเดินไอย่างนั้นต่างคูก็ต่างตามไป อพอไปถึงที่ตรนั้นก็ปรากฏว่าถ้าฟามบริโภคอาหารเย็นเสร็จนำน้ํำที่ล้างผ้าชนะเอามาเทข้างนอกก็พบว่าพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็ทรงหยุดไม่ไม่เดินต่อไปก็ถามว่ารามมาอยู่ที่ไหนฟามก็ตอบว่ามาใช้พระ้ากินเดียวกันในวิบาลีก็วิคาดซาโท ที่คาสาโทรแปรผู้กินเดนต้มากินเดพระพุทธพระพุทธมาอยู่พระเจ้าถามว่าทำไมเ้าบอกว่าเป็นคนยากจนชนใจลูกหลานไม่เลี้ยงโอ้ที่กจ้าถามวราพระไม่อยากจะบวชหรือทำไมจะไม่บวชฟางก็บอกว่าข้าพระเจ้าอยากจะบวชแต่ว่าไม่มีใครบวชให้เจ้าวรับพระพุทธเจ้าจึงไหันไปถามพรบว่าใครรู้คุณของพาะมีบ้าง คามองความคนนี้เคยมีคุณกับใครบ้างถ้าสงฆทั้งหลายยืนเงียบก็มีพระสารีบุตรองเดียวนั่งคุกเขา่าบนมมือตามมารีวรุฒินั่งกระโยงของเรานองนั่งคุกเข่านั่งกระโยงบนมมือกลาวเพรว่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ารู้คุณของความเดียวกันเขาก็จะจ้าว่วาถามว่าสารีปุตตานุก่อนสารีบุตรความมีคุณกับเธอเมื่อไหร่ทํำไรให้กับเธอ ข้าสารีมุตตก็กล่าวว่าเมื่อปีก่อนโน้นข้าพระพุทธเจ้าไปไปสมบัยใกล้ใกล้บ่ายของฌานฌานได้ใส่บายท้าวเจ้านัทีหนึ่งพระเจ้าการุ๊กได้จะไมีพระดีกีาแต่ว่าสาวีตุตตะดูกนสาวีบุตร์สัตว์ปรุพผู้มีความกตัญญูตเวทีมีความดีบุญบารมีจงเป็นอุปัชฌาบทัรใหเจราทับกาน ในที il, ่สุดภษาที่หมดก็หมดั้ลาจลพรามเมื่อหวดแล้วเวลาเข้าภาษาทนลาองเเด็กเ่แก้วประจภาษาที่อื่นกับภาษาที่บมเขายนภาษาที่หมดกลาเนี่ยไม่ได้อยู่ประจำคนเจ้าอยู่เป็นเฉดกันเพื่อรับตอนองความมีความต้องการของคนผู้มีศรัทธาในเมื่อตามภาษาที่หมดไปไม่ช้านานไม่กี่วันักราจพรามก็ได้ร้สึกลาตผล เมื่อวบบันดาญาโยมพุทธสาวมิกรชนวันนี้มันก็เหนื่อยเนื้อเท็จอย่ว่าสบา ย, ยาโยนจงานนะเขาคิดอะไรไม่ออกก็ชื่อว่าความกตัญญูรู้คุณมีความสําคัญอย่างบรรดาญาโยมพุทบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นวันซาตีนใช่ไหมวันซาตีนนี่เจ๊กเขาเปแสดงความกตัญญูรู้คุณวานในถามเจ๊กเพรานเจ๊กมีมีเจ๊กมาไม่ใชเจ๊กงานนะ <laughs> เจะหยาเจะกินไม่ใช่เกไหวถามว่าสาจีนเขาทำอะไรกันก็อบอกว่าไหวปู่ย่าตายายก็สรุปว่าไหวยวันพระบรมรุกมีคุณอันนี้มีความกันตโยรู้คุณของเขานะประเพณีเขากินละคริงเขาดีมากไม่นจะไม่ดีหนึ่งเวลาจุดก็ดีเวลาสายก็ดีเขาตั้งปเป็นระเบียบเลยว่าต้องไหวบรรพบรุษ คือบุคคลที่มี ค, มคนีกาจก่อนอันนี้มีความว่าแตนยิงรู้คนเขาใจเคารพบุคลคลผู้มีคนก็ดูเปรีบเปรี้ยบมาจนไม่นานนะใจะงานนะใช่ไหมนานไหมเป็นนักพูดจีนในเวลาที่ก็มาจากเขามาจากเมืองจีนมาประเทศไทยสมัยก่อนเขาไม่มีอะไรมาเขาไม่มีคนมาถ้าบอกว่าเสือผืนหมอนใบในที่สุดก็เป็นมหาเศรษฐี ยังคนที่เป็นเจ้าของธนาคารใหญ่มีสภาพอย่า ง, า ง, างนั้นเช่นเดียวกันกลัวว่าความการันตีเขาทำยังไงคือเวลาสองนาทีกตีกแปวร่รู้คุณรู้คุณท่านที่ท่านทำแล้วญาตบรรดาญากกติโยมที่บริสัทมาเนาะมาบริบูรณ์ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้รู้คุณใน ค, ความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปกายสนองคุณท่านพระพุทธเจ้าบรว่าใครจะสนองคุณตถาคตก็ตั้งอยู่ในธรรมธรรมที่ให้ตั้งอยู่คือหนึ่งานนำทานน้มคุณพระเทิการบริจาคทานทานโดยใจกัดโลภะความโลภเพื่อวันนี้ทานแต่ยังไม่ถึงนี่่านเป็นใบทานจะเป็นใบใจเป็นมาเป็นคํร่ำวยนัาติต่อไปเป็นมหาเศี ในการนี้สองสิ่งโดยใ จ, จตัดตัวจากความโกรธถ้ายังไม่ถึงนิผ่านเพียงใดสิ่งก็โดยใ จ, จมีความสุขถ้าเกิดเป็นคนก็มีความสุขเกิดเป็นดาเป็นตงก็มีความสุขและภาวนาเป็นเอาเป็นการเกิดบัญญาคนที่มีบัญญาัี่มีความสุข <c oughs> อ้แล้วกัน <c oughs> จะไปไปนิพานจะไปนิทานไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปนไรสบาย อ้ไม่ดีสุนีก็ตระกาตพระสงเรื่องศาสนาพระทอง์โทราบการบวชนี้เป็นร่ลาเนความดีของท่านดีกือความวันโยมลูกบุญธรรมพทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีพระเหลืองเจ้าห่มถ้าไม่มีไม่มีบารมีพระเจ้าเราก็มีข้าเจะินถ้าก็มีห่มข้าไม่มีินมัดไิ่อยู่ที่ราบวต้อยากได้ก็ไปใช้บารมีของพระพบรมโต การสนองควรข้า้นก็ตั้งใจปฏิบัติความดีจนในพระธารรมวินัยด้วยพระทํามโดยวินัยด้วยปฏิบัติความดีด้วยช่วยการบัติีให้เข้าถึงมีความดีจะเป็นที่จะสร้างความสุขแกบรรดาญาโยมกับสงฆ์สั้ว์ถ้ทาที่ปฏิบัติความดีเป็นปัจจัยเกิดความสุขเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตอนเชา้าพระทุกองเข้าชายสมาบัติาการกําลังที่จะถึงได้ ถ้าสมาธิมากกว่าตามน้อยกว่าตามพยายามอันดับแรกกําจัดที่วนหา้ารายการก่อนจะกําจัดได้สามาธิสัมผีตัวตามใจไม่เป็นไรไม่ต้องมากต่อจากนั้นไปก็ตั้งอรมมารมณ์นี้ปรัชนาญาให้รู้จักกายเกิดแก่เสียตายว่ามันเป็นทุกข์เวลานั้นอารมณ์จะปฏิกิริยาเขตั้งสมาธิภาวนาทิสเบอรก็ใช้ได้ <c oughs> อย่างนี้ถ่นี Pokemon. ้ชื่อว่าพระเข้าสมาบัติตอนเช้าทุกวันตอนเช้ามืดหลังจากนั้นก็ไปดินบำบาดญาติโยมพุทธบริัทส่บายก็คือว่าใส่บาทจากพระอาจจะออกจากสมาบัติอย่างนี้มีอานิสงส์ูงก็พระปกติธรรมดาหลายแสนเท่าอารบรนดาญาติโยมพุทธบริษัทั้งหลายพูดมาพูดไปมันก็เหนื่อยคนไม่ไหวใจหง่าต้องเลิกนะเวลาหมดพอดี ก็ขอ้อตยดที่ดุจธรมมเดชนาลงคงไว้แต่ดรื่องนี้ณที่ก่อเกิดทางปรมมเดศนานี้อาจจะมาภาพข้อตั้งตฏิญาณี่ฐานอ้างคุณบารีรัตนาไกมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนแหละสังฆรัตนะโดยสามรดการขอจนเลยบรรดาและบรรดาเป็นพุทธบิษาทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ุณผลไดเป็นนาเสียงใดเได้ฉนันสงความปัญหานทุกประการ อาตมาภาพรักฐานมิสัจนามาในกรอมโยกฐานก็ขอยุติปะตตมทีสนานุคงไว้เจริญตรองมีเอวัง็มีสจปกาลักนี้ทนุมิยารุาลังสัพามันเตณบานุานุานุถามอบอีกหนนะเวลาเที่ยงสิบห้านาทีผมจะไปจากอิตรโก แล้วก็เวลาเที่ยงค่ำเริ่มคุยกับพระไอ้เขาจคุยอธิบายในกรรมฐานเนี่ยดังนั้นพวกปุณในชดว่างกรรมฐานจะมีแค่มโนงยุทธิความจริงกรรมฐ า, านนัมีมากว่าใคายาวเส้งทุกเส้นทุกยื่ก็ได้นะถ้าไม่มันทึกก็ผมจะมันทึกไวแล้วก็ให้นันถ่ายทอดให้แต่ว่าก็ไม่แน่นอนนักบันทีเส้นมือนเกยเหมือนกันอ่ะ ไปสามสิบนาทีพอเวลาบ่ายโมงก็สมาแนะนำสมาธานรรมฐานมอแนะนาเสร็จก็สมาท า, า, า, านกรรมฐานสมาธิสมาทานกรรมฐานเสร็จผมก็กลับมารับแขกบ่ายโมงครึ่งน่าจะงาดีไหมดีเลยจะมาไหม <c oughs> <c oughs> นโยมก็ถ้พาพระที่จะไปปฏิบัติ ตอนถ้าใครอยากจะซักซ้อมก็บอกพระที่ควบคุมใน้นำปฏิบัติให้ซ้อมถ้าองค์ไหนอยากจะนั่งเงียบก็แยกที่นั่งได้เลยเวลา